นะครับผมเห็นไอ้นี่สงตรง น, นี้ก็เลยได้มาปรึกษากระลุงพ่อแล้วก็อาจารย์ดวงศินอาจารย์ศินตรงรับตาหลวงพ่ออย่างดีนะอาจารย์ดวงศิลถึงเวลานี้ปิดเลยส่ตงตัวแทนมานะนะครับในเรื่องของการเข้าค่ายมาช่วงหลังกับที่หลวงพ่อ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 อั น, นี้คนไหนที่ไม่รู้ก็รู้ครับผมว่าไม่หยาดครับในเรื่องอาร่วงต่างๆหลวงพ่อจะพยายามเน้นเรื่องนี้เนื้อตัวกับผมเองนะครับมาวันนี้แหละครับคุดด้วยครับตั้งแต่เคยเก็บอาร่วง ม, มามาครั้งนี้แหละครับแค่เก้าวันสิบวันนี้โอ้โหยนะครับดีว่าเก็บเป็น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 ขอบคุณไอตัวเมียงวีเมียงวันเน่ยที่มันมดจ่อหัจ่อตาเราเน่เออมันก็มีอารมณ์ขันเหมือนกันบอกขอบคุณครับแต่ก่อนเปี้ยะเลยท่านยุงทัางงดอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ไปๆปไต่างคนต่างอยู่ที่วัาเห็นนะครับเห็นอารมณ์ตรงนี้แต่ก่อนนี่โอ้โหมันมันมันหนักหนาตาโหดมากในเรื่องอารมณ์โทสะราคะ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 ไม่รู้อะไรต่ออะไรเลยธรรมะนะมาโอ้โหสองวันสามวันติดจดจ ด, จดไม่ได้เลยจำจดสมุ ด, ดิอืหอหึมมันมันทะลุหมดนะมันมันมั น, มนถามมันตอบๆอตอทะลุนะเห็นทะลุความสบายความไม่สบายความเพลินเห็นตั้งแต่กายนะครับเห็นกายเห็นเวทนาเนี่ยนะเห็นกายเห็นเวทนา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 รวกกับนามนั้นแต่ว่ามันผีนะครับเรานั่งยกลืกสร้างจังหวะเนี่ยมันไม่ทันครับดูกายตรงนี้มันไม่ทันหลวพ่อก็เลยมาให้ดูเวทนาดูเวทนาช่วงชันนั้นลงหลวงพ่อให้ดูการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนท่าในการเปลี่ยนท่าเปลี่ยนรูขยับรู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 มันขึ้นมาอีธาตะฐากะโตโลเกอุปัโนพรตถาคต เ, เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้โอ้โหนะครับไปเลยจบเลยใครลองเที่ยดูยครับอีธาตัฐากระโตจบเลยครับอยู่ในนั้นหมดเลยครับขันตั้งห้าเป็นตัวทุกนะครับนะครับอยู่ในนั้นหมดเลย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 ก็นี่คือานี้สูงนะควาจริงผมพยายามลำดับภาพดูที่เจนพงเอ่ยถึงว่าเราพิจารณาย้อนหลังไปแต่มันน่ากลัวนะครับ่ายบางคขยให้ เ, เราไปจัดได้ไง <laughs> <laughs> นะมันโดยเฉพาะใน่ายที่ไม่เก๋งนะจำได้ไหมที่แพรเ อ, เอาเอาเนา้นภาพรูร้อนไปบดด้วยใครไม่เก๋ง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 ในค่ายที่ตับเตาเนียที่ทำตับเตาเกันผูาเนียนเยอะนะสี่ิบห้าสิบลูกตอนนั้นท่านสวัสดิ์่านสวสหายจากข่ายไปก็ตามมากันปรากฏว่านุ่งไปผูกที่ระยองหรือว่านะ่ย่ <c oughs> สวัสนั้นแต่ละข่ายนะี่ระเผจนภัยกันบา่ทกีก็ข่าหลันสางนะอันนั้นก็เรียกไฟทีหนึ่งทีสองจนหัวค่ำเราเห็นไฟแป๊บๆอยู่เขาลูกนะู้นทีสองก็ถึงเราแนละ้ว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 มีคนดูแลตลอดเดิงน้ําเรื่องไฟก็ดีนะครับคือว่าดังนั้นในช่วงที่สองนะวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราทดลองดูว่านะช่วงตั้งแต่ตีสี่ไปอย่างน้อยถึงเก้ามงเช้าเนี่ยเราได้หลายชั่วโมงนะนะเราก็ปฏิบัติร่วมกันข้างบนเราก็เดินมาเดินจชโกมขึ้นนะครับตอนกลับก็เดินจชโมกมกลับเหมือนกันนะ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 ในแต่ละค่ายแต่ละจุดเป็นอย่างไรนะก็ใน <c oughs> แคมตรงที่ปากขํามห้วยไปตรงนู้นแคมป์ที่หนึ่งแคมป์ที่สองที่จันทงที่นี้แล้วก็แคมป์ที่สามก็ฟากทางนี้ท่า น, นก็เลยว่ามีการเปลี่ยนการ น, นิดหน่อยนะครับสาหรับรเราที่ด้านหน้า ยังมีฐานที่อยู่นั่นัอก็เลยคุยกันว่าให้ย้ายจากทางนี้สี่ลูกไปทางด้านาน้าแล้ทางด้านนาสองลูกไปทางนน้น <c oughs> ก็ที่ย้ายก็คือท่านปาท่านน้อยท่านอูดท่านเอกนแค่ไนม่ใช่ท่านเอ ก, ท, เอกท่านเลยท่านอะไรนะที่อยู่ทาง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 สำหรับการสอบอารมของยายมผมก็ได้ผาสอบลมตั้งแต่ตอนเย็นแล้วข้างบนก็ลมมาครับนั้นก็ญายมก็ไปรต้องสอบอีกนันเช่วงนี้ก็เราในเวลาพักวันกลับพาพร้อมกันครับะหังสัมมาสัมพุทโธะขวาผู้ ทางพะคะวันตัง <c oughs> วันเดมสวาสดูพระคาวาตาธ ร, รมโมุธรรมังนามสามิสุปฏิปนโนพระคาวาตสาวกสังโฆ